ที่ใดพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะสถานที่ใดถ้าทําให้กิเลสเราฟูขึ้นนะให้หนีกลางวันกลางคืนให้รีบหนีทันทีมึงะอย่าไปมึงถ้าที่ใดเราปฏิบัติแล้วนะปฏิบัติแล้วกิเลสเราลดลงความทุกข์เราลมที่นั่นเขามาฆ่าก็ไม่หนีมึงนะเขาไล่หนีก็ไม่หนีซะบ้างเงิพุทธเจ้าพูดอย่างนี้นะถ้าเราเทาอยู่เสร็จแล้วกิเลสเราลดลงความทุกข์เรลดลงความกลัวเราลดลงนะลดลงกิเลสลดลงเนี่ยพวกกัที่นั่นเขามาไล่ขืนก็ไม่หนีเขามาฆ่าให้ตายก็ไม่หนีเหมือนกัน ผู้เจ้าว่าอย่างนี้ถ้าที่ใดกิเลดโรคกดลงทุกเพิ่มขึ้นหนี้ให้ไว้ที่สุดหนุ่มเงนไม่นีก้กลางวันก็นี้ลางคืนหนุ่มเงิให้ไปเลยมั้งผู้เจ้าพูดไปอย่างนี้นะทีนี้ก็รู้ที่ใจตัวเองเข้าใจมั้ยนะหลวงพ่อจับได้พ่อหลวงพ่อทํายุบหนองนะ่ะยุบหนอง้องหนอมาสองสาปีทําพูดโทรมา18ปีแล้วมาเปลี่ยนมาเนี่ยนะมาเปลี่ยนมาดูดหลกสารบัตเทียนตั้งแต่ปี สีงก็สี่สองเตอนนั้นเห็นอาจารย์าาร ย, าารยุกิอาจารย์ไพศาลอาจารย์ทรงศิลและอาจารย์หนุ่มอยู่ด้วยกันอาจารย์หนุ่มจำไม่ได้อาจารย์ได้อายุกินี่ยมวจดูสมบูรณ์สลาะะเสร็จแล้วหลวงพ่อไปจภาษาที่บอไฟหวานกับหลวงพ่อกเขียนและอาจารย์ทรงศีลอาจารย์ยุกิอาจารย์ไพศ า, าลพวกนี้อยู่ที่นี่ อ, อยู่ที่นี่ทีนี้ครอบรอบแล้วนี้ก็ตั้งสัจจะไว้นะจะตายในสายงานองเวียนแต่วัดไหนที่มีเมนด้วยนะเผาศพแต่ถ้าไม่มีเผาศพมันถามไปไกลเข้าใจไห มันหามไปไก่มันหนักแรงคนเข้าใจไหมให้อยู่วัดใกล้ๆทีนี้มอบศพให้ศรีนครินละไม่ต้องให้ก็ได้นะมันมันมันมนะเผาศพกับเผาที่เหลือหามไปนะหามไปนะไม่ต้องสวดบัณฑิการมัทสกุลก็ได้อานิจจาวัตถสังขาราคาเทนิก็พอแล้ยนะอาจารย์มาหาบัวตายใครอยมาสวดบัณฑิการนะมัทสกุลนะมาเอาบุญให้เราไอ้คนที่จะบุญให้เรามันมีบุญแค่ไหนกว่าท่านบออย่างงี้ให้ว่าแค่อานิจจาวัตสังขาราทั้งภาทั้งโยมเลย นามีโยมจะไปตั้งสวดบัณิกาให้เป็นเชื้อพระวง์เน่ยไม่เอาเลยไม่มีการสวดเลยมีแต่อดิจเจ้าแสังฆาราแค่นั้นเองว่าแค่เนี้ยโยมก็ว่าได้ใครก็ว่าได้แค่นี้เข้าใจไหมไปต้องไปเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของนะนีะนะน้กุศลาซองมากุศลาสองมาพระก็เอาเงินไปซื้อบุหรี่พระกินผีบุหรี่กินพระพระกินผีบุหรีะะ่กินพระเข้าไปเงี้เข้าใจไหมกุศลาสองมาอทีนี้สมัยก่อนนั่น มันเป็นอย่างนี้สมัยก่อนนะมีนางโสเฟนีนะโซเพณีก็คือว่าผู้หญิงชัน้นดะีประกวดแล้เป็นนางงามนะที่ไปแต่งงานกับกษัตริย์แล้วเขาซื้อไปนะ่ะทีนี้ก็ป่วยป่วยขึ้นมาทีนี้พระเขานิมนต์พระไปฉันมีพระรูปหนึ่งนะมีพระรูปหนึ่งชอบนางเอ่อยานางงามนะ่ะนางโสเพณีนางงามจักรวาลคนนั้นนะชอบเนะี่ยะกลับมาไม่ฉันเข้าเลยเอาเข้าวมาที่ บ, าบัานมิถิบานไม่ฉันเข้าพผู้เจ้าไปเห็นเข้านางป่วย นางป่วยทีเจ้าก็ตายพระตายเสร็จแล้วผูว้เจ้าก็เชิญองคนี้ไปนิมนต์พระนี้ไปพอไปถึงเสร็จแล้วก็เลยอ๋อคนที่เรารักสวยงามจะตายกับตายได้แบบนั้นเรียปปงตกเลยเนี่อหลังขานไม่เที่ยงเนาะรูปนางไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขงังตาพูดตามภาษาต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตทุกตัดสินใจทันทีเลยหลุดนะหลุดจากความจึตมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเลยใช่ไหม สำเร็จมากวรที่ผ่านนั่นแน่กันไปเผาศพต่างๆเนี่ยเขาให้เห็นอย่างนั้ น, น, น, เ, เ, ห น, น, นเห็น อ, อนิจจังเห็นทุกขงังเห็นอนตัตตาไม่ใช่ว่าประจ้างเอาเงินน่ะไปสวดเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของอย่างนั้นเข้าใจไหมให้ไปปงจริงๆเวลาเราไปงานศพนั่นแหละเออหลวงปู่มั่นบอกว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นอาจารย์เราเั้นแกให้เราดูนเนี่ยน้องผู้ชมเนี่ยอาจารย์ใหญ่เนี่ยแกแกให้ดูเจ็บให้ดูตายให้ดูคนที่ตายก่อนเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ของเราแสดงธรรมโดยไม่พูดแสดงธรรมเรื่องตายให้ดูเข้าใจไหมน่าเราตาเราไม่ดีเนี่ย ปัญญาไม่ดีไปเห็นว่าคนตายคนนั้นคนนี้ตายเน่ยไม่ใช่รูปน้ําไม่เที่ยงรูปน้ํามอนิจังรูปน้ําทุกขงังรูปน้าํามอุตสาให้เกิดปัญญาขึ้นมาคือโอ้ไม่เที่ยงเหรอ่ทั้งมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ทุกคนสุกตัดสินปู้ฐารชีวิตต้องตายแต่จะ ต, ตายต่างกันแค่นั้นเองเดีนี้ให้พอรอีกนั่นเนอะให้มงคลมาคนเกิดก่อนให้ตายก่อนคนเกิดชีหลังตายชีหลังถ้าคนเกิดชีหลั ง, ต, งตายก่อนมันาบากใช่ไห อ, อ มันลำบากเข้าใจไหมไอ้คนเกิดก่อนน้องพ่อน้องพ่ก้มให้ตายก่อนเนอะแล้วก็พวกโยมตายทีหลังพอเกิดทีหลังตายทีหลังถ้าคนเกิดทีหลังตายก่อนแล้วไอ้คนแกๆ่ๆใครจะเลี้ยงอ่ะเนี่ยร์งมงงามงูงงามอยู่เชเนี่ยใครจะบินธบัตให้กินเข้าใจไหเนอะต้องให้คนเกิดให้คนเกิดก่อนตายก่อนให้เกิดเกิดทีหลังตายทีหลังนี่ไม่ได้แช่งนะนมาพูดตามจริงเลยเนะี่ยเขาตัดสินมาแล้วทุกคนต้องถูกประหารชีวิตแนละ้วต้องตายอยู่เรียบร้อยเลยเนชะียรแต่เราก็ไม่คิดถึงตัวนี้สักทีเข้าใจไหมหมัวเจ็บ ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บกัอทุบเราเกิดมาก็ทุกข์อยู่แล้วทินเรายังไปตัดสินให้คนอื่นเกิดอีกเลยนะนะลูกเกิดมาห้าคน6คน7คนนะพอเกิดมาแล้วก็ตัวอะไรเกิดไปอีกเนละมีตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายตามมาอีกเลยอย่างนะตามมาอีกเลยแต่แล้วก็มีความโลภความโกรธความหลงไปอีกอีกสามทีนี้ตามไปนะ3แต่คนเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์สามอีกความโลภความโกรธความหลงไปทุกนะถ้าลูกสิคนเอาหกคูณหกสิดเข้ามกเลสหกตัวเข้าใจไหม ตามมาเจนเน่เนี่ยตัดสินใจเลยอยาให้คนอื่นคุมกําเนิดซะเข้าใจคุมกําเนิดทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายรูปทํามนามธรรแล้วคุมกําเนิดที่เรามาเจริญสติรู้สึกตัวสุดนี่ตัวนี้คุมกําเนิดกิเลสเข้าใจไหะรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวไม่มีโรคไม่มีโกดเป็นมีหลงมนแทรกเข้ามาไม่ได้น ะ, ะมันเพลิสติต่างหากนะมันไปรักคิดเพลิดคิดขโมยคิดมันถึงแทรกเข้ามาเข้าใจไหมนั่นแหะเจริญสติให้ดีจับให้ดีหลวงพจับได้แต่ก่อนก็ทำอย่างอื่น ทำยุบพุโทโถก็เอาพุโทโธหายใจคับพุทธหายใจหายใจโทตามทีนี้ทำยุบน้อกะขวายังนอ้อซ้ายยังนองนะพองน้อยุบหนอเนะทีนีไอตัวท่องน่ะมันไปบังไป ม, มันไปบังความรู้สึกไปหลวงพ่อเคยเฉียงกับอาจารย์โอ้ไม่ได้เฉียงหรอกถามอาจารย์อาจารย์นะ่ะเป็นอธิบดีกรมศุลกากรขุ น, นศรีขุนมุ่นศิษากร น, นามบวชสอนยุบนอ้องพองน้อให้หลวงพ่อเป็นอาจารย์หลวงพ่อทำเสร็จแล้วหลวงพ่อเดินจงกรมเนี่ยมันชัดนะไม่ต้องว่ามันก็นชัดเพราะ พองนอยยุบหนอมันก็ชัดอาจารย์ครับผมอ่ะไม่ต้องว่าพองหนอยุบหนอมเนผมจับได้มาชัดนะไม่ได้ต้องว่าอย่างนั้นซองขวาอย่างหนอนซ้ายอย่างหนอเนี่ยเอาสมมติเขาไปใส่แท่งเข้าไปเข้าใจไหมหลวงพ่ออยู่ไหมอีกสองสามวันหลวงพ่อก็เลยหนีเลยหนีองนั้นมาเลยเสร็จแล้วมาทําคนเดียวท้แบบหกนะยกส่วนหนอเนี่ยมันได้พูดยกหนอย่างหนอนลงหนอถูกหนอเหยียบหนอไม่ว่าโอ้ทํำในวันนึ่งคำเอ้าคําเอาคำมาเลยไม่ท่องเลยนั่นะมาทําอยู่คนเดียวทําำที่วัดอะไรที่แท้โคราชเนี่ยจำไม่ได้ทําอยู่กับ 5้าเดือนเนี่ยตื่นนอนตีสี่ตื่นตีสามจะนอนสชั่วโมงนอนไม่ได้นะได้ห้าชั่วโมงนอนสี่ทุมตื่นตีสามว่าจะนอนห้าทุ่มตื่นตีสามทําไม่ได้เลยนะทำได้อยู่แค่นั้นทุกวันนี้กับทําไม่ได้เลยหชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงห้าชั่วโมงทําไม่ได้เลยนมันแก่แล้วเข้าใจไหมทําไม่ได้ใช่แน่ถึงนี้ก็ไม่ทําได้ถึงที่ก็ทําพุดโธรที่น่ะเอ้หายใจเข้าพุดหายใจเอาไปว่าไม่ได้เหรอวลาเดินกับขวาพุดซ้ายโทไปต้องว่าไม่ได้เหรอันนี้เสียงตัวเองเลยเลยมาเจอหลวงพ่อเสียนโผล่ดีเลย มาเจอเดิบังเอิญนว่าโอ้หลวงพ่อเสด็จบอให้รู้เฉยๆไม่ต้องนึเลยเข้ากันได้พอดีเลยนะพุดโทรบกหลวงพ่อก็จะทิ้งไปแล้วนะแต่ว่าทาอยู่หให้ใจกับบางทีก็นอนทาอยู่ไม่ต้องว่าใหใจเข้าให้ใจเอโทมันต้องว่ายบหนอพองหนอท้องมันเพราะไปนอนนะเอามือวางที่ท้องเนี่ยมันพองขึ้นก็รู้พองก็รูเนี่ยก็คือก็คือเคลื่อนไหวนั่นเองแต่แทนแทนที่จะใช้มือเคลื่อนไหวม่นเกะกะมันหนาวขึ้นมามันนั่นใช่ไเอาท้องวางเอามือวางที่มันพองปึ๊บขึ้นมารู้รู้รู้สึกอ่ะ รู้สึแล้วก็หลับไปนี่ใช้วิธีกันหลงพ่อเทียงเขาจะบอกว่าเราขึ้นรถลงเรือไปเหนือมา ใ, ใต้นะเราไปยกสิสี่จังหวะเขาจะว่าหาว่าเราบ้ากันยกย ก, ยกยกแค่แค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอเขาบอกงี้นะยกเนี่ยแต่ห้ามทำสองมือพร้อมกันนะให้ทำทีละมือนะแค่นี้ก็พอหรือว่าหงายมือขึ้นหลังนึงนะตมือรูปอย่างเงี้ยเนี่ยแค่นี้ก็พอให้จับนี่หลวงพ่อชากับสอนตรงกับหลวงพ่อเทียนอย่างหนึ่งเขาบอกว่าจับแก้วแก้วน้ํา จับไปจับมาจับไปกลับมาจะให้เผลอให้รู้สึกให้รู้สึกตลอดนั่นก็เหมือนกันใช่ไหมจับละก็วางวางแล้วก็จับจับละก็วางเสมอถ้าเราไปเผลอแสดงว่าสมาธิเราไม่มีสตินลยแล้วท่านพูดคํานึงเด็ดขาดว่าการปฏิบัติทำการนั่งสมาธิเอาตัวเดียวเอาสติความรู้สึกตัวเสมอนั่นมาตรงกับหลวงพ่อเถียนเป๊ะเลยเข้าใจไหมนพ่ผู้ท้าทพิคุรหลวงพ่อไปเห็นมางานเกิดท่านเทพจับหัวข้อไป็มือหนึ่งนะเอามือจับไปจับหัวข้อเทพมันก็จะลืมเทพซึ่ซึ่งไรเสร็จแล้วท่านนั่ง มืออยู่อย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยมือหนึ่งรูปอยู่มือหนึ่งจับไอ้ไอนั่นอยู่ไอจ้จับต้องจะตำลาตำลักกลางหัวข้อจับหนึ่งเนี่ยไปฟังอยู่ที่คนห้าร้อคนเนี่ยหลับไป200รอคนก็มีข้านุ่งหันอยู่เนท่านไม่เคยหลับเลยนอนทั้งคืนเลยแล้วมันเกิดของท่านเพราะว่าวันเกิดของเราเราไม่ได้กินอะไรกินแต่น้ำอย่างเดียวท่านก็ไม่เลี้ยงข้าวเลยคนไปเป็นหมื่นเป็นแสนในขนาดไหนก็ไม่มากหรอกก็จะ ป, ป, ป, ประมาณทันคนนี่แหละนะไม่ เ, เลี้ยงข้าวเลยไม่ครัไม่ต้องลำบากเลยตื่นขึ้นมาก็แจกและพึ่ง อันนั้นเพิ่งใส่แก้วให้พระกินสองสองแก้วสามแก้วแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วก็กลับไปเอพอฟังเทศมาแล้วเนี่ยฟังเทศบางแสงหัวค่ำอะไรอยเงี้ยก็กลับแค่นั้นเองค่ารถค่าเรืออะไรก็ไม่ให้เลยไม่เคยแจกเลยอไปเองมาเองไปได้มาได้ะอไปได้มาได้ไม่เคยแจกไม่เคยอะไรเลยอะไรอหละขันบอกว่ามันต้องมีนะมันต้องมีอันนี้พระุูดง พาทูดงแต่ขวแก่หนาเยอะเลยไปทรดงไปขอปิสบัตเอาเงินเอาของเอาข้าวเอาของไปนะหลวงพ่อเคยทูดงจากาเชียงรายมาเชียงใหม่จากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพจากกรุงเทพเข้าเข้ากาญจนบุรีเดินมาเดินมาเนอนองค์หนึ่งอายุหกขวบครึ่งกระถือเจ็ปีถือธงอยู่ข้างหลังทีนี้องค์ใหญ่ๆทนายความคนหนึ่งอายุ27ปีเป็นเนนบวชมาด้วยให้เดินข้างหน้าเราสะพายของใ ห, ให้เนนเด็กเลยพอเนอนเด็กเหนื่อยแล้วก็ มันก็เอาทองโบกลดสิบ ร, รอบบงรถอะไรมันก็จูดพอดี <c oughs> เขาเห็นเด่นเล็กก็ก็สงสารเนขึ้นแต่ที50ากิโลหกสกิโลมาเรื่อยเลยพอพักวันไหนก็บอกว่านี่พวกสา ม, มนเณรพักตัวร้อนนะไม่ใช่ในอาชีพพักตัวร้อนฝึกธุดงจะไปกรุงเทพจะไปเมืองกาญมันนะ่งไปพัไปพักวัดเจวาวานขอความรำมือขออาหารถ้าเจ้าวาดเขาก็ให้เขื่ไปพักที่ไหนไปพักป่าชา้าที่ไหก็ไปบอกบอกว่าชาวบ้านาสา ม, มนเณรนี่เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเดินธุ ด, ดง เขาก็ให้อาหารบางกินถ้าใครจะกิน2หนก็ให้2หงนถ้าใครไม่กิน2องนก็ไม่ต้องห่ อ, อไปสองขนทีเดีได้ตังมาแบงค์ห้ารอรุ่นแรกน่ะเคยเห็นที่กรุงเทพไปพักเทพร้านไปขอน้ำเขาดื่มที่ก่อสร้างที่รังสิตนะลังสิตขอเขาน้ำแสนเขาเอาไป500ห้าร้อให้ก็ขึ้นแท็กซี่จากจากไหนจากนั่นแหละไป2องคันพอดี600บาท หกร้อบาทปรดี๋ยเขาให้500บาทอีกคันหนึ่งเอาแบ่งกันคัขอขอขอขอขนละสองบาทไปส่งออกทางเมืองการไปถึงปับ๊บไปเจอรถสิล้อพ่วงเอาฟ้าเด่นขึ้นไปส่งถึงเมืองการเลยนะไปถึงเมืองการเรียบร้อยขากลับโยมส่งรถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ชั้นที่2องโยมส่งหมดเลยเรียบร้อยไม่ต้องนี่เราไปเราบอกว่าไม่จําเป็นนะเขาให้เงินปั๊บเนี่ยนะจะมาไม่รับแบบโยม โยมจะให้อย่างอื่นได้ไหมเรียกแท็ซีมาให้จะมาขึ้นยังไงล่นะเน้นต้องการอะไรให้โยมซื้อเหมดต้องการน้ำตาลต้องการเครื่องดื่มอย่างเงี้ยไม่จับมาเลยนะไม่จับเงินมาเลยมาจากเชีงยงใหม่กลับไม่เคยไม่มีเงินไม่จับบาทเดียวมาได้ไปได้สบายเลยทนายความบวชบวชสองปีบวชพระสองปีเพื่อจะเอากฎหมายพระสินของพระเนี่ยเอาไปใช้กับกฎหมายของโยมจัดสินยังไงไมันจะเข้ากันได้ไหบวชมาสองปีทนายความคนนั้น อายุ27ปีมาบวชเป็นเนนมาบวชเป็นเน้นซั์แล้วก็ไปนั่นพอดีนี่เนี่ยหลวงพ่อเอาเน้นเนี่ยสอนนะไปอยู่ป่าชาติเน้นว่านอนสอนง่ายนะกกลัวผีอ่ะน่ะมันกลัวผีว่านอนสอนง่ายเวลาเกิดได้ยังเนี่ยเกิดรือยังทีนี้ว่านอนสอนง่ายมันจะรับคำระบากเสร็จแล้วมันก็มาเรียนหนังสือเีนี่บางคนได้ปัญญาโทปัญญาเอกดกเรบรรจงเขื่อนแก้วเป็นเนนอยู่หลวงพ่อเคยสอนอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วคนแก่น่ะ พ่อแกนเป็นอาจารย์ใหญ่คณะไหนไม่ทราบเป็นด็อกเตอร์เลยนั่นแหละหลวงพ่อเคยสอนพานดูทวดงมาเข้าใจไหมมันได้รับความนอบากมาตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือขึ้นมาทีนี้นมีแม่ชีคนหนึ่งถามมาว่าไอ้ชุ้ไอท้ไอทรงเจ้าเข้าผีผีเข้าอะไรเป็นยังไงมันมีจริงมั้ยเนีะ่ะนี่จะเล่าเลยให้ฟังหลวงพ่ออายุสองปีเอาหนังสือพิงโรงผีในโรงผีมีผีอยู่นะาผีมันเคาะลงมันเคาะอย่างเนี้ยผีเคาะลงหลวงพ่อวิ่งยืนขึ้นนะถ้าข้างบนนี่มีไม้อยู่นะหัวกระแทก หัวกระโหลกแตกเลยมันยืนขึ้นเต็มที่เลยนะมันกลัวเสร็จ แ, แล้วก็จ ะ, จะหันหลังกลับกลัวผีจับคอถอยหลังออกเลยนะพอปิดประตูไว้เอาเอากุญแจห่วงใส่สายอยู่ไว้กัวผีมันจะออกเลยนะวิ่งปื๊ดไปหาพันตรีเปื้องหลวงพ่อเมื่อกี้ผีหลอกผมคขยืนปยายไปดูผีเหมือนกันไอ้ตืดไอ้ตืดคือไอ้ตูด <c oughs> ไอ้ตืดผีที่ไหนหลอกมึงว่าเออจริงๆเขาเหมือนกันเดินเข้ามาตัวสันจิกๆๆเลยทีนี้เขาสันเสร็จแล้วประตูเราเปิดแง้มไว้ประมาณครึ่มหนึ่งทีนี้ก็แมวมันคาบนกไป ขานกไปทีมันจะกินนกมันบินขึ้นค้างลงลงใมันก็ตบลงตั้งแต่นั้ำนมัขก็ไม่กลัวผีเลยหน้าไม่กลัวผีเลยนะจับได้เป็นผ้าในไปนอนบนหลงผีที่วัดไหนจําไม่ได้ผีอยู่ในหลงพ่อนอนข้างบนลงเลยอไม่กลัวเลยมันเคาะแล้วก็เราก็เคาะมั่ง่ะมันเคาะได้แล้วก็คอยได้ที่มันเคาะหน้าตุ๊แกตุ๊แกมันกินอ่าจริงจกมันกินตัวแมลมันกินไม่ได้มันมีพชษมันต้องสะบัดให้ทายก่อนเข้าใจไหมมันกินมันกินตะขาอย่างไงมันสะบัดให้ทายก่อนทีนี้ นี่แหละสีดแล้วโยมมาถามบอกว่าพวกทรงเจ้าข้าผีพวกผีทรงทําให้เราไะ้เงินได้ไหมนี่จะเล่าให้ฟังนะพระองค์หนึ่งถ้ำเขาชะกันเป็นหมอดูสลอกข้อต่อชะตานะเอาเงินสัตว์ก้าไปเก็บผักกินเด็กหลานนีนมน่มาขอเงินพอขอเงินมั น, ม, น, ม, นมันติดยามันติดยาเสพติดไม่ให้มันมันเอาแสดงตีตายเลยเห็นไหมดูสลอกข้อคนอื่นทําไมสดอกข้อ ต, ตัวเองไม่ได้เขาใจไหมดูให้คนอื่นทำไมไม่ดูตัวเองเขาเ้าใจไหมน่ะตายเลย ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งทีนี้พระสมเด็จเพื่อนหลงพ่อเนี่ยซื้อมาราคาแสนกว่าบาทอีกองคหนึ่งโยมคนหนึ่งมีมีหมีองค์หนึ่งราคา6กหมืนบาทเอาองค์หกหมืนบาทมามาม า, มาจำนำพระแล้วขอยืมเงินพระไปยืมเงินพระไปเอาพระองค์นี้ราคา6กหมื่นเฮ้ยของมึงแค่6 000, บหมืนของกูแสนกว่าเหงินก้มซองอยู่เงี้ยก้มซองอยู่ไอคนที่เอาพระมาจำนำพระเอาแรงตีหัวตายเลยตีหัวพระเปรี้ยงสลบแล้วจับแต่กูแสตายเลยไหม มันจะช่วยอะไรได้เข้าใจ้ไหมพระสมเด็จอกของครื่องรางของขังหลวงพ่อเขเห็นคนสักตับร่างกา ย, ยกอย่างลวงพอหลวงพอเห็นนะพ่อเน่ะสักไปเหยียบน้ําน้ําแทงเอาเลือดไหลโจกเลยเข้าใจไหมไม่เห็นเหนียวตรงไหนเลย <c oughs> บอกเหนียวเนีวเหมือนกันหลวงพ่ไม่เชื่อเข้าใจไหมเนี่ยพ่อไม่เชื่อหรอกทีนี้คนมันเชื่อได้ศรัทธาอย่างธรรมกายนะครับบอกว่าพระนิพพานเป็นจั ก, กรวาลสวรรคเป็นจักรวาลพระพุทธรูปนะเอ้าหน้าตากว้างสองว่าขยายสีว่าแปดว่า แปวา32สามสบวาร์คูิส่วา1์ร้อยร้อยี่ดวารโยดสองโยมันเอาเตจจิตไปวัดเอาเข้าใจไปวัดจริงได้ที่ไหนมีจริงหรอเปล่าเพราะว่ามันไปนั่งเพงมันก็มันก็เข้าสินีทเข้าใจไหมมันมันก็เราฝันนี่แหละ จ, อ จ, อจอ้องจ้องจงเพียพนั้นอะลวงพ่ออะนี่พระนิพานพูะเจา้าความสิ้นไปแห่งสัญหาคือพานิพานความสิ้นไปแห่งรางคะโทสะคือพานิพานความสิ้นไปปล่อยวาง ความยึดมั่นตัวตนเนี่ยะวางทิ้งเสียไม่มีไม่มีตัวตนมีแต่รูป ท, ำำทำํรนามธรรมวางเสร็จเรียบร้อยเดีวไม่ยึดถือเลยเนยนะเขาดาก็ด่าตัวตนเขาสารเสรือก็สารเสรือ ร, ร, ร, รูปนําด่าด่ารูปนามเข้าใจไหมเขาฆ่าเขาฆ่ารูปนํามเนี่ยที น, นี้ไม่ใช่ตัวเรานนนน เ, น เ, นเนี่ยทีนี้สมณะเ่รถูกเขาจะตัดคอพวกพวกไอ้ที่เป็นพระาหนขันน่ะไพ่หกสิบองค์ยังไม่เป็นพระหนขันทีนี้อคนที่ไม่ปล้นไปรับไปฆ่าเขามันจะมัน มันบูชาเจ้าแม่กาดีเข้าไป ม, มันจะมาจับเอาคนไปไปฆ่าบูชาเนี่ยคนไม่มีไปเจอพระเนี่ยไปขอพระพระโกนัใครจะไปใครจะไปเนนบอกท่านอยู่ผมไปเองเหมือนไปไปเสียก็นั่งเฉยทีนี้เขาก็ะพ้อนอลัลำ้ำกับคนที่ประาหาชีวิตเอาดาบมาทําท่าเฉอือนคอเอาสัเอาสันมาก่อนเนาเสียรคอเน้นเฉยอยู่เนี่ยเน้นเฉยบอกโจนก็บอกเอ้ยเคยจับคนมาฆ่าบูชายันตั้งเยอะตั้งยแยะเลยมีจะ่ร้องไห้ตัวสันคนก็สลบเมือไปเลยเหมือนกันเสียงจะเอาดาบเนีย อาฉันดาบเป็นรูปรูปดีคอเฉยๆเหมือนกันแต่เน้นทำไมไม่นั่นเหมือนบอกเน้นบอกว่าเราไม่กลัวตายเหมือนถึงไม่กลัวถึงถึงท่านในข่าเราก็ตายอยู่ดีเหมือนตายก็ไม่ใช่ตัวเราสายรูปน <t ich Laughs> ้ำเกิดดับเหมือนไม่ใช่ตัวเราเราจึงไม่กลัวเหมือนพวกด้านก็เลยกราบเนนกล่าวเนนเสร็จแล้วก็มาบวชกับเนนสําเร็จอรหันเลยเข้าใจไหมอ่าสำเร็จอรหันเพราะว่ามันมันตัดอันนี้อย่าไปเชื่อนะมันเชื่อขึ้นมามันก็สร้างนิมิตตามขึ้เข้ามาบอกว่าผีเข้าเข้าทรงอย่างนั้นอย่างนี้นะเสื่อมไปอย่างก็ทุกกระเจมเนี่ยหลวงธาตุบอกว่า คนที่เครียดพยาบาทอาคาต。คอนโกลเก่งๆไงนะจะเป็นโกกรคกระเพาะนั่นแหนละใช่ไมโรคกระเพาะแต่โรคกระเพาะเสียแ ล, กลยิกไอพวกทรงเจ้าข้าผีผีมันเข้ามาทรงผีมันทำให้โกกรคกระเพาะเข้าใจหมวงเอาเงิน99บาทเก้้กบกาทไปกินเข้าใจไหมมันทาให้ฟรีที่ไหนหรอมันหลอกลวงาไปกินได้ใช่ อย่าไปเชื่อมันที่เราเป็นโนรคนั้นโรคนี้ก็โรคของกายก็หาว่าผีคนค น, นั่นใสยคนนี้ใส่เคาะกรำแต่เก่ามันเป็นเพราะความโง่ความประมาทมันหาโรคมาใส่ตัวหาฝินมาใส่ตัวหายาบ้ามาใส่ตัวเข้าใจไหมาหาเหล้ามาใส่ตัวแล้วก็หาที่หมอมันจงเตือนมาครับอาชีพหมาม้ากรอบเนี่ยมันเอาไอ้ผงใส่กอบเข้าไปตับทีใหญ่กว่าไอใหญ่กว่านั้นอีกใหญ่กว่าทงปูนอีกเหมืนใส่เข้า ไ, ไปไปเห็นอยากกินนะเหมือนนี่หลวงพ่อเห็นมาอาจารย์จบปริญญาโท แล้วกลมาหาเจ็ดประโยคไปอยู่อเมริกาด้วยกันข้องพ่อไปไม่ิกาหกเดือนตื่นเช้าขึ้นมาโยไม่มาสามารชงมาไอชงมามากกินน้ำหนึ่งหอ่อแล้วก็แห้งหนึ่งหอกินกุบกุบกินยังอร่อยเลยนะกลับมาตายในเมืองไทยเลยมหามหาสมปองตายเลยน้องพ่อไปเห็นะพอดีเลยเ อ, อกลับมากินนั้นเรามหาในหลวงพ่อบรรจงที่เป็นเป็นหมอมาเตือนก็ถูกจริงรจริงนะเเพิ่งนั่เป็นเพราด้านนะเพราะกินนา น, านๆกินไม่เป็นไรที่หลวงพ่อไปอยู่ที่ตั้ง ฮ่องกงบอกว่าชงให้สุกนะรงไม่สุกจะกินนะเขาบอกอย่างนี้รงให้เรียบร้อยให้สุกให้นั่งสักก่อนอย่าไปกินเด็ดๆสุกๆเยางี้ขอเสื้อมาเลยไปฮ่องกงมาะไปฮ่องกงมาสองทีไปอเมริกาไปประเทศจีนแผ่นดินใหญ่มาสองปีสองครั้งแล้วก็ไต้หวันไปสาครั้งหลวงพ่อไม่ไม่มีเงินหรอกเขาให้ไปไปอาจารย์จันตะ น, ะนี่มีสามบาทปาทสตินเด็แล้วก็บาดซ้ายบาทขวาแค่นั้นเองเราเป็นผู้ช่วยที่ดีเด่นเขาจะช่วยที่ดีเด็ดช่วยเขาชวขาข่วยเขาเลยเขาขเลย ให้ตามไปให้รางวัลไปเที่ยวต่างประเทศขึ้นมาไปมาหลายประเทศแล้วเพราะว่าความดีในการที่ข้อความเขียนมันตรงกับข้อคเขียนว่ามีสติปัญญาใช้รูปนามให้เป็นประโยชน์เราใช้รูปนามให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาเขาใช้ให้ทําอะไรช่วยเต็มที่เลยอาตมาเสียอย่างหนึ่งเป็นผู้นำนั้นมันเด็ดขาดมันเอาปั้นอะก็ตีหัวฝรั่งแตกมา14ี่เข็มตีหัวพระแตกมาห้าเข็มพระพระลูกวัดชวนอาตมาต่อยอามาตีอาตมาบอกนามแยกสามิสาขาอย่าแยกอย่าแยกมัน เราฉายไฟให้คาราว่าอาสมาฉายไฟใส่หน้าขึ้นมาแล้วไปดูหนังเอ็กนะห mm hmm. ลวงพ่ท่านปากเสียวลุกขึ้นมาจะเตะหลวงพ่อหลว ง, งพ่อก็เตะเปี้ยงเข้าไปเลยยังไม่ล้มเี่เนย่ยอยากจะทุกขึ้นมาตีในแม่กไกล้ราคาก็บอกเราสองพันกว่าบาทหัวแตกหมอบขาตีเลยเสร็จแล้วพาเขาบอกว่าผมจะเอาไปโรงพยาบาลแต่ท่านพูดว่าหลวงพ่อตีหัวผมจะให้ตายเฉยเหมือนกันหลวงพ่อก็ต า, ตามไปตามไปที่ตามที่ทโรงพยาบาลท้องขาพูดนะไปถึงแอบกิ๊บเลย เฝ้าเงีบเก็บเลยพอกลับมาเย็บแผลเสร็จเยบร้อยแล้วกระปากก็โทษของขวามผิดแล้วครับตรงข้อกระปากตีมันสามทีกระมันก็โอซิกรมเสร็จแล้วพระองค์นี้ยังปากเสียไปว่าผ้ากำเนินผ้ากำเนนรุมต่อยเอาฟันหักเลยองที่หลพอตีหัวผมอยู่ไม่ได้ป้อไปอเมริกาไปอยู่อเมริกาไปอาจารย์ันตาอาจารย์ตาชมมาบอกว่าปากมันไม่ดีตรงข้อตีหัวมันดีแล้วเหมือนกันถูกแล้วเหมแล้วฝรั่งที่ตีหัวสิบสี่เข็มนึงนะสรบเหมือดเลยอันนี้มันแก้ผ้า หนแก้้าบ้ากรามยังไงเอาเอ็อเชื่งเอาเอาญ า, า, า, าเพศมาเิ่มตูดผู้หญิง <c ười> ใครก็ห้ามไปฟังไม่เชื่อไปเจอหลวงพ่อเขาหลวงพ่อไปะสะดอกคอแทนอาจารย์จันตาเข้าโรนะงพีเสร็จแล้วกลับมามันยังอารวาสหลวงพ่อก็เลยตีมันงพนั่งสมาธิอยู่มันเอามีดเนี่ยมาเฉือนคอเล่นอย่างเงี้ยเอาสันมันนะนั่งมันกวนขนาดหนักเลยเสร็จแล้วก็ตีหัวสิบสี่เข็มสรุปเมื่อไปทีนี้มันไปบวชพระที่อเมริกามันรวยมากเลยมันจ้างเรือลพ บ, บวบกลางมาสมบุญเลยอ่าเสร็จแล้วมันก็ยกที่ให้าจาัน สามติกว่าไอเคอร์มั้งที่อเมริกามันบอกว่าตั้งแต่หลวงพ่อตีหัวมันเลือดออกเนี่ยมันสติมันดีขึ้นเหมือนกันมันมากราบศพหลวงปู่หลวงปู่ชอบมันกราบหลวงพ่อสามทีหลวงพ่อกระกรับมันสมทีกรรมนั้นเป็นอาหสกรรมเลยขอโทษมันขอโทษตรงะมันสติมันดีขึ้นตรงกันหลวงพ่อกระกรับมันพระตีหัวพระก็อาหสิกรรมไปแล้วตีหัวฝรั่งก็อาหสิกรรมไปแล้วไม่มีกรรมติดตัวแล้วอลยขอให้ญาติโยมทั้งหลายนี่ยกรรมมันติดเพราะอย่างนี้แหละพอเราพอเราไปยึดมัน ว่างว่าง่ทั่วขนาดนั้นก็วางอ ง, องคุณมาร์ค่าคนมา999คนวางปั๊บยังสำเมร็จอาหารนใช่เเยดยดย็ดเย ด, ยดยอยู่นี่นะอ่ามันมันตัวงโง่กว่าค่าคนจริงๆรูปน้ำตีรูปน้ำต่างหากล่ะตัดจินใจเลยเนี่ยอตัรูปนามตีรูปนาำไอ้ตัวงโง่มันตีตัวงโง่เข้าใจไหมไอ้ตัวบาปมันตีตัวบาปไอ้ตัวหลงมันตีตัวหลงตัางหา ตัวหลงก็ไม่ใช่ตัวเห halb, ล่าของเขาก็เขียนพูดนะรอบกดหลงกิเลสมันไม่ใช่ตัวตนหรอกมันเป็นอาการเฉยๆเนี่ยแต่ตัวโง่มันไปยึดบนตัวเป็นตนไอการมายึดตัวตนนี่แหละคือยอดโง่เลยบุรุมโง่ทีนี้วางตัวตนไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาก็เป็นผ่านหันแล้วเข้าใจไหมวางเลยอนุปาทานวิบูจันติสาธารณชนหยอบหลุดพ้นจากทุกจากกิเลสจากตัวตนเพราะความปล่อยวาง นี้เราไม่ปล่อยวางกูกูกูแบกกูแบกตัวตนอยู่ให้นั่นสางรูปน้ำรูปน้ำทั้งหมดรูปน้ำโง่กรทุกต่อไปรูปน้ำนั้นมีสิติปัญญารูปน้ำนั่งกับคนทุกต่อไปแค่นั้นเองอาญาโยมทั้งหลายจงเป็นดวงตาเห็นธรรมดับทุกข์ด้วยมวนปูคำเขียนมวลนกูเทียนเหมือนพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านเทินนั่นนนก็ต้องพังคอมพิวเตอร์ดีขนาดก็ต้องพังเข้าสู่อันิีจังสุขังได้ตามไมโครโฟนดังโคกโคค่ายังไงก็ดำเกิดดับเหมือนกัน เข้าใจไหมสื่อดีขั้นไม่สิเหมือนกันรูปดีรูปไม่ดีก็ดับเหมือนกันทีนี้เราเข้าใจอย่างนี้ปั๊บเราก็ยกให้กายกับใจรูปทำนามทำเป็นรูปทำนามทำอเนจังไม่เที่ยงรูปทำนามทงทุกขังไม่ทนทนยากทนลำบากคนสุดท้ายกระซองผางรูปทำนามทำกายกับใจเป็นอนัตตาแปรปวนไม่ควรตามเหตุตัวตนเพราะมันเที่ยงทิ้งไปไม่เที่ยงทิ้งนั้นไม่ใช่ตัวตนซึ่งใดเป็นทุกข์ทิ้งนั้นไม่ใช่ตัวตนเนี่ยที่พวกเราก็ยังไปโกงอ่ะเนี่ยหลวงพ่อเขียนว่าโกงป้นขโมยไปตู่ ไปตูวเอากายกับใจก็เป็นตัวเป็นตนเพราะตัวเราพ่อของเราแม่ของเรานะพ่อแม่ก็เป็นตัวตนพ่อลูกก็เป็นตัวตนตัวเราก็เป็นตัวตนแล้วยังมีของของตนอีกเลยนะแล้วก็เลยหนักคือไปยึดยึดคือแบกคือหนักกันไ้พ่อแม่ก็เป็นอนัตตาลูกก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเข้าใจไหมไม่ใช่ตัวไม่นตนเป็นธรรมารูปนามธรรมารูปนามธรรมารูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่จะไปเหมือนกันใช่ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ปั๊บพอเห็นไปแล้วใจเราพูดภาษาปรมัดไปภาษาธรรม รูปนารูปนามรูปนามหมดเลมันจะโง่มันจะฉลาดไม่เกี่ยวเข้าใจไหมนี่ก็เรียกว่าปเวลาเราพูดกับคุณฉันท่านเธอคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณอาจารย์ทรงศิลอาจารย์ยุกิลุงปู่ก้มเนี่ยพูดเวลาพูดก็พูดตามสมมุติตามไปแต่ว่าใจนัเป็นปรามาตย์แทหมดอ่าอ่ารูปนามรูปนามรูปนามรูปนามรูปนามใดที่ฉลาดบริสุทธิ์เหมือนรูปนามลุงปู่ําเขียนเป็นรูปนามพาลันไปแล้วเข้าใจไหมหมดทุกไปแล้วเลยร เขาบอกว่าพูดให้เป็นปเป็นเป็นปรมัดนะเขาภาษาดิบุตรพระโมคคัลลาสําเร็จพระอรหันต์อันนั้นพูดตามสมมติอูต้องพูดนะญญปัญญาเจตสิกปัญญาเจตสิกมีมีสมมุติว่าภาษาดิบุตรมีสมมติพระโมคคัลล า, า ส, สำเร็จอรหันต์ปัญญาเจตสิกสเจตสิกคืออะไรคือตัวปัญญาน่ยมันเกิดมาจากธาตุรูร้มันเกิดมาจากใจนะเจตสิกแปลว่าสิ่งที่เกิดพร้อม พร้อ ม, อมเกิดมาจากใจเกิดมาจากธาตรู้เข้าใจไหมคือตัวปัญญาเนะ่ยมันเกิดมาปัญญาจิตสิกสําเร็จมรรคผลที่ผ่านไม่ใช่พระโมคขาลาภาษาดิบุตรพระโมคขาลาภาษานิบุญยังเป็นตัวตนอยู่แง่ยังสมมุติปเป็นตัวตนอยู่เข้าใจไหมต้องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นปัญญาจิตสิกเข้าภาษาปรารมิตขึ้นไปที่พวกเราได้พูดกันที่เขาห้ามพูดห้ามคุยขึ้นนะห้ามสุงสิงกันเพราะว่ามันพูดจะสมมุติมันติดสมมุติอยู่ทีนี้เนี่ยมันพูดพูดแบบขโมยขโมยเอารูปนาม มาเป็นตัวตนอยู่คุณกูมึงมึงกูอย่างคุณนั้นท่านท่านเธอเข้ามาและขนาดที่พูดนั้นเป็นขโมยอยู่นะเป็นคนขี้ตู่เอาลูกกำนามาเป็นตัวเป็นตนอยู่เขาจึงห้ามพูดยังไงเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยเขาจะห้ามพูดห้ามคุยกันปฏิบัติธรรมให้ตัวให้ตัวปรามาตมันพูดให้ฟังให้ตัวสติมันพูดให้ฟังเข้าใจไหมความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยทีนี้หลวงพ่อกำเสกงก็พูดถึงคํานึงเขาบอกว่าสติปัญญาดี จะใช้รูปนามทําประโยชน์มันกวาดวัดหลักน้ําล้างถ้วยล้างชามแล้วก็แล้วแต่นะนะนี่เราคว้าตั้งจัจจะไว้จะทําวัดสวดมนต์ไม่ขาดนะทาไม่เจ็บไปปวยขึ้นมา2แล้วก็บินสบายไม่ขาดนะแล้วก็จะกวาดวัดบังนะถ้าจะไม่ขาดถ้ามันจําเป็นกวาดประหรลาดก็ น, น้อยกวนะ่กวาดหน้าวัดกวาดสมตัวนี้กันนะกวาดใบไม้ที่มันร่วงหล่นแล้นะกวก็แล้วก็กวาดกิเลสกวาดตัวขี้เกียจขี้ค้านนะสวดกวาดตัวความเห็นแก่ตัวออกจากตัวนี่นะ ล้างจางกับล้างใจกล้างล้างล้างกิเลสออกไปล้างตัวโรคตัวกดล้างตัวกูล้างตัวมึงล้างสิ่งนี้ออกไปให้หมดเข้าใจมไหมทำด้วยสติรู้สึกโดดรู้สึกโรู้สึกตัวซื่อซื่อซื่อซื่อไม่มีตัวตนเลยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ไม่เป็นอะไรเข้าใจไหมล้างจางด้วยพันธิพานตรงพ่อคําเทียนยังพูดชัดเลยกินด้วยพันิพาณยืนเดินนั่งนอนด้วยพันธิพานทั้งหมนี้คืออะไรบ้างคือจิตปกตินั่นเอง ทำอะไรจิตปกติจิตชื่อซื่อเฉยเเจ้าเปล่าจิตเป็นกลางวางเฉยอยู่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกกินดวนนิพพานร่างจานด้วนนิพพานก็จะเดินด้วนนิพพานซักผ้าดวนนิพพานวิผมดวนนิพพานดีคอมพิวเตอร์ดวนนิพพานท่านจะพูดอย่างนี้เลยท้อพ่อไปฟังที่บุญธีร์หรือพ่เทียนมาเขาจะให้อยู่ที่นั่นที่ที่อยู่ที่มุนิีร์ทีนี้อาจารย์มหาสังคมค่ายไปอยู่ที่วัดสันติที่หน้าโบหน้ า, ห น, าหน้ากรมทหารค้นแก่นท่านไม่อยู่ท่านไม่อยู่เขาจะเปลี่ยน ให้หลวงพ่อไปอยู่ให้มหาธงคมไปอยู่ที่มูลนิธิเราจะให้หลวงพ่อ